แต่ทีนี้คนมันชอบคิดเนาะมันชอบคิดก็ทําให้มันสีขาวให้มันสีดําไปพวกคุณเออเนาะตัวนี้มันทําให้เข้าใจยากกว่าคิดตั้งบอพ่อว่าให้มันมีดำในไม้อะไรเงี้ยก็เรูปภาษาเราตั้งโจทย์ผิดไหยอ่ะไม่ไม่นชอบเข้าใจเข้าใจแล้วคือเขาเรียกว่าคุณนักเอิดอย่างนี้ก็ได้คุณสมบัติของสีขาวมันจะขาวตลอดไปมันจะเป็นสีอื่นไม่ได้คุณสมบัตินะอ่ะ คุณนสมบัติสีดำก็เหมือนกันคุณนสมบัติสีดำมันจะเป็นสีอื่นไม่ได้อย่างไงก็ไม่ได้ถ้ามันเปลี่ยนได้แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วทีนี้พอเรารู้จักสองสีนะคนทั่วไปเนี่ยรู้จักสองสิ่งคือรู้จักสิ่งนี้รู้จักสีสีขาวกับสีดำคนทั่วไปนะแต่พอเราเรียนธรรมะเนี่ยเราจะพบอีกสิ่งพบอีกสิ่งว่าสิ่งนั้นก็มีอยู่สิ่งนั้นมีอยู่คืออะไร คือจิตจิตที่มารู้สีที่รู้ว่าสีขาวเนี่ยสีขาวมันก็มีของมันอยู่แล้วคือสีขาวแต่ที่จะรู้ว่ามีสีขาวได้มันจะต้องมีจิตคือไปเห็นไปรู้เข้าถูกไหมก็เห็นจริงเลยเออนี่สีขาวถูกไหมนี่แสดงว่าที่เห็นเนี่ยเป็นเรื่องของจิตนะจิตเห็นสีไอ้นี้ไอ้นี้ก็เหมือนกันจิตก็มามารู้สีนี้แต่สีเนี้ยมันเป็นสีดํา แต่สีนี้มันเป็นสีขาวจิตก็มาเห็นทีนี้จะถามว่าแล้วจิตมันเป็นสีอะไรไม่มีสีเออถูก <c oughs> จิตไม่มีสีแต่จิตสามารถเห็นสีได้เพราะฉะนั้นที่เห็นสีนั่นสีนี้เนี่ยนี่การเห็นเนี่ยคือจิตนะถ้าขยายก็คือจิตทางตาเออแม่ต้องขยายอีกอแต่เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของโยมนะ <c oughs> พอเข้าใจก็ยังนีเข้าใจจิตเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วจิตไม่มีสีที่ทีนี้ที่เห็นสีเนี่ยนะสีเขียวที่เขาว่าสีนู่นสีนี่ทั้งหลายอ่ะนะอันนั้นไม่ใช่จิตนี่ที่เห็นทั้งหมดทั้งหมดทั้งที่นนี่ไม่ใช่จิตแต่จิตอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่มาเห็นสิ่งพวกนี้แล้วจิตก็ไม่ได้เป็นสิ่งนี้จิตก็ไม่ได้เป็นสิ่งนี้จิตก็ไม่ได้เป็นสิ่งนี้จิตไม่ได้เป็นสิ่งไหนจิตก็ได้แต่แค่เป็นจิตอือ ก็เหมือนกับคุณสมบัติเองแหละจิตคือคุณสมบัติของเขาคือได้แต่เห็นหรือได้แต่รู้แต่เขาเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเนาะสิ่งที่ถูกเห็นมันก็เป็นคุณสมบัติของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่จิตมันก็เป็นคุณสมบัติของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นมันจึงเป็นคนและสิ่งกันซึ่งเป็นธรรมชาติไอ้นี้ก็ธรรมชาติไอ้นี้ก็ธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติอ่าแต่ด้วยความไม่รู้เนี่ยที่เราหลงกันมานานเนี่ยไม่รบกี่พบกี่กันเน่ย เวลารู้เวลาเห็นอะไรเนี่ยใครไปรู้ใครไปเห็นอะเรานี่เขาเรียกว่าไปยึดจิตเป็นเราความไม่รู้มันเป็นความไม่รู้ไปยึดว่าเป็นเราแต่ถ้ารู้แล้วจิตเป็นจิตใช่ไหมจิตไม่ได้เป็นเราเราไม่มีเออมีแต่จิตแล้วก็มีแต่สี <laughs> ผมเข้าใจแค่ไหน ะ, ะคนอื่นเข้าใจเนาะ คยอ่านตำราไหมล่ะจิตไม่มีไม่มีสีไม่มีคือจิตมันไม่เป็นสีไม่เป็นสีเหลืองไม่เป็นสีแดงไม่เป็นสีอะไรเคยได้ยินเขาบอกหมเนาะทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้นี่ปัญญาพวกนี้เราใช้ในชีวิตประจําวันพอเห็นอะไรเนี่ยต้องโยนิโสขึ้นมาเลยว่าเช่นเราเราเห็นเนี่ยต้องโยนิโสขึ้นมาเลยว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นสิ่งถูกเห็นเป็นสิ่งถูกเห็นแต่จิตอ่ะเป็นผู้เห็นแล้วจิตอ่ะไม่มีสีใช่ไหม แล้วไปเห็นจิตจิตเมื่อกี้พูดถึงจิตรู้นะพูดถึงจิตรู้จิตเห็นเนาะที่พูดนะเนี่ยที่มองมานี่แล้ว เ, เห็นนี่นะเป็นจิตรู้จะเรียกว่าจิตรู้ก็ได้จิตเห็นก็ได้เนาะแล้วเวลาความคิดเกิดขึ้นเห็นไหมที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยความคิดเกิดขึ้นความคิดก็คือความคิดถูกปะ่ะแต่จิตรู้อ่ะมันไปเห็นความคิดก็เหมือนกับเห็นอะไรพวกเนี้ย คิเียกันได้ไหมอ่ะเมื่อกี้เราเห็นเป็นแล้วนี่ง่ายด้วยเนาะเห็นแล้วอือย่างนี้อันนี้ก็เห็นแล้วอย่างนี้แล้วก็พอเห็นพร้อมกันเห็นไหมเห็นพร้อมไหมพร้อมอ่อเนี่ยเราวางสองสิ่งเนี่ยเห็นเห็นพร้อมใช่ไหมเราไปงยกันแล้วแค่นี้มันยังไม่แค่นี้ยังเห็นตรงนี้อีกนะแล้วยังเห็นรูนี้อีกนะถูกไหเนี่ยมันรู้มันรู้พร้อมไงแต่ถ้ารู้เพ่งอ่ะบางทีมันจะเห็นอันนี้อันเดียวอันนี้ไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นแต่ถ้ารู้พร้อมรู้พร้อมนี่คือมันรู้เหมือนกับว่า มันรู้ทั้งหมดเอายมลองสองตามาเนาะมันเห็นไอ้นี่ก็เห็นใช่ปะอันนี้ก็เห็นรูนี่ก็เห็นขานี่ก็เห็นช่องช่องนี่ก็เห็นแล้วแถมหางตายังเห็นตรงนี้ต่างหากอีกทีละเนี่ยก็เรียกว่าเห็นแบบไม่แพ่งถ้าเห็นแบบไม่เพ่งคือมันเห็นทั่วเห็นแบบวเอออยู่ในรัศมีที่ที่ตาเนี่ยมันจะเห็นทั่วแล้วเวลาเราเพ่งเป็นไงเราไม่เห็นนี่เราเห็นแค่อันเดียวเวลาเพ่งเนี่ยมันจะเห็นอันเดียว เ, ออเพราะนั้นถ้าไม่เพ่งเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไม่เพ่งเนี่ยเห็ไหมพอยมลืมตาปั๊บปุ๊บเลยเห็นหมดเลยเ อ, อเาลองปิดตาแล้วลืมตาดูปุ๊บมันจะเห็นแบบทั้งข้างหน้าทั้งข้างข้างถ้าอยู่ในรัศมีที่มันเห็นได้ปุ๊บเห็นเลยแต่ถ้าเพ่งส่วนวาถ้าเพ่งส่วนว่าเพ่งมาอาจจะมาปั๊บข้างนี้ยบางทีมันมันไม่ค่อยเห็นพอะมันเพ่งอยู่แต่ถ้าเพ่งร้อยเปอร์เซ็นนี้จะไม่เห็นเลยเพราะนั้นที่สื่อตรงเนี้คือให้รู้จักจิตจิตรู้ นอกนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านอกนั้นน่ะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเออยิ้มได้ที่แสดงเข้าใจขึ้นแล้วเออโอเคนะเข้าใจเรื่องจิตรู้เลยนะรืงงนมองอย่างไหมไม่นั่งลงแล้วจิตรู้คุณนสมบัติจิตรู้คือได้แต่รู้อ อั น, นี่ก็คุณสมบัติของสีก็มันเป็นสีไหนมันก็เป็นสีนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ที่มันเปลี่ยนได้เพราะว่ามันผสมปรสานแล้วก็กลายเป็นมันทําให้เห็นเป็นสีอื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าแต่จริงแล้วเรามอ ง, มองนะถ้าเข้าใจเรื่องสิ่งที่เราพูดเนี่ยเข้าใจเรื่องจิตรู้เนี่ยมันจะเห็นภาพมากขึ้นว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินก็ดีเป็นเรื่องของจิตหมดใช่ไหม แต่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยโลกเนี้เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้เออเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเลยฟังด้วยครับท่านพรเจ้าเอเงียบเลยเออ s. <S เด้อเมาะไหมอ่ะมได้ยินครับดีเลย<อ> น, <hur 4> นะอ่<น>ะาโอเคเอาเดี๋ยวให้ให้โยมถามในส่วนที่เราเราคุยเรื่องเรื่องจิตก่อนใครยังสงสัยอะไรไหมให้ถามก่อนก่อนที่จะสู่เรน ต้องเด้ไหมเอย่างไงหมยังไม่ได้ลงปฏิบัติยังไม่หรอกเออฟังให้เข้าใจก่อนทีนี้เราจะโยงกับภาพปฏิบัติที่โยมเคยปฏิบัติมาเนี่เช่นเวลาโยมบอกว่ามันสงสัยถูกไหมใครเราไปรู้ความสงสัยจิตใช่ไหมอมันมีความสงสัยเกิดขึ้น ก็เหมือนกับสีอ่ะมีปรากฏขึ้นแล้วก็ไอ้จิตเนี่ยก็ไปเห็นความสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยความสงสัยเกิดแล้วเพราะแต่เดิมมันไม่สงสัยนี่อ่ะพอความสงสัยเกิดปั๊บมันก็ต้องรู้ดิรู้ว่าสงสัยแต่เราไม่เข้าใจตรงนี้เราก็พยายามจะคิดเพื่อให้หายสงสัยแต่จริงอ่ะมันรู้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนึกออกไหมคือจิตเนี่ยตอนเนี้อรู้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งว่าสงสัย นี่ไงแค่รู้แจ้งจบแล้วไม่ต้องไปหาคําตอบอีกการหาคําตอบหลงหมดเลยเพราะฉะนั้นแค่รู้แจ้งเมื่อสงสัยก็รู้ว่าสงสัยแจ้งยังแล้วที่ที่รู้อ่ะก็ไม่ใช่เราใช่ไหมอ่าอะไรจิตเนี่ยที่บอกว่าเรียนธรรมะให้รู้แจ้งรู้แจ้งเนี่ยก็คือให้จิตเนี่ยมันรู้แจ้งรู้แจ้งต่ออะไรรู้แจ้งต่ออะไรก็ได้ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วจิตเนี่ยมันไปรับรู้เข้าเมื่อรับรู้เข้ามันก็แจ้ง แล้วทุกวันนี้เอามองด้วยตานี่มันแจ้งอยู่ตลอดใช่ไหมเอามองมาตรงนี้ก็เห็นแล้วแจ้งแจ้งแจ้งแจ้งแจ้งเอาโยมปิดตาที่เออถ้าเข้าใจเรื่องแจ้งเนี่ยจะเข้าใจนีดปิดตาทุกคนนะเห็นไห ม, ม, ไมหลองตอบแบบปัญญาดิแอม่ไม่เห็นร้อยเปร์เ็นะจริงหรือเปล่า เ, เอาใหม่ที่แสดงว่ายังไม่ชํานาญเอาทั้งนั้นตอนนี้ลืมตาใช่ไหมเห็นอยู่ใช่ไห ม, มเห็นใช่ไหม อย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งในสิ่งที่เห็นแค่เห<ค>็นนะไม่ได้ยึดถืออะไรเนี่ยแค่เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยทําไมไม่แจ้งอน่ยก็เพรเห็นนะไอันนี้ก็เห็นแล้วอันนี้ก็เห็นแล้วมองไปที่ตรงไหนก็เห็นเห็นเนี่เขาเรียกว่ารู้แจ้งแต่ปิดตาทําไมไม่แจ้งเอาปิดตาใหม่เห็นไหมเห็นมื่อต้นออเนี่นี่ยสุดยอดสุดยอดโห้มาทีหลังเพื่อนเขาตอบก่อนเพื่อนเลยถูกแล้วเห็นเมื่อ ออลองปิดตาที่เห็นมืดไหมฮะชัดไหมมืดความมืดเออความมืดเห็นชัดแจ๋วเลยมืดอะไรไปรู้กัอ่ะจิตจิตรู้ว่ามืดได้ไงเพราะฉะนั้นความมืดก็เป็นสิ่งถูกรู้จิตจึงรู้แจ้งตลอดเวลาไม่ว่าข้างนอกจะมืดหรือสว่างเวลาสว่างจิตก็รู้ว่าสว่างเวลามืดจิตก็รู้ว่ามืดจิตจึงรู้แจ้งแทงตลอดง่ายไหมฮะออลองปิดตาที่มืดไหมมืดไหมเห็นไหมว่ามืด นี่ไงเห็นแล้วถูกแล้วก็รู้แจ้งอีกแล้วเพราะฉะนั้นความมืดยังเห็นได้เลยคนอื่นวพาปิตาเพราะเขาบอกไม่เห็นนี่แสดงว่าเขามันยังปัญญาอย่างไม่ถึงปัญญาอย่างไม่ถึงการรู้แจ้งคือรู้แบบนี้คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ทำไมอ่ะที่เราไม่เห็นทั้งๆที่มันเห็นมันมีอะไรมันมันมันันขวางตาไงดวงตามันมันมันมีอะไรอยู่มันยังมีฝุ่นมีฝุ่น ตนนี้ปัดฟุ่นให้แล้วนะเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งทางตาเนี่ยนะไม่ยากมันเห็นแจ้งอยู่ตลอดปิดตาก็เห็นแจ้งลืมตาก็เห็นแจ้งเอาลืมตาเห็นแจ้งเจอไหมเห็นหมดเจอไหมเนี่ยเห็นหมดเนาะแจ้งนี่ถ้าปิดหลอดไฟเนี่ยังเห็นอยู่ไหมเห็นเห็นก็ไฟไม่มีไงเห็นนีอีกถูกไหมขนาดไฟไม่มีมันมืดอ่ะยังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเขาเรียกว่าเห็นเป็นของคู่ได้มืดก็เห็นแล้วสว่างก็เห็นแล้วแต่จิต เป็นของคู่ไหมอ่ะของคู่ของคู่เป็นภาษาเมอีกแล้วสีดำกับสีขาวเป็นของคู่ใช่ไหมสีขาวอันหนึ่งสีดำอันหนึ่งเป็นของคู่แต่จิตนี่มันเป็นคู่ไหมล่ะจิตเป็นหนึ่งจิตแต่สิ่งที่อยู่นนั้เป็นของคู่แต่จิตเป็นหนึ่งเดียวคือไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งจิตเป็นศูนย์ก็ได้เอา เเดี๋ยวจะขึ้นสุญทตาอะไรการเนี่ย <laughs> นี่พูดถึงจิตหนึ่งก่อนแล้วนะเ <c ười> คยได้ยินไหมจิตหนึ่งอ่ะผมพูโโดุนพูดถึงอยู่เลยนะจิตหนึ่งอ่ะจิตพุทธะยังไหรอเนี้ไม่ต้องปฏิบนะัติในฟังให้เข้าใจเนี่ยแล้วโยมก็ไปใช้ในชีวิตประจําวันเลยเนี่ยได้ถ้าพูดถึงว่าถ้าเข้าใจจริงนะ <c oughs> เพราะว่าเอาปัญญาเนี่ยเอาความเข้าใจเนี่ยปฏิบัติมันไม่มีรูปแบบหรอกอ๋อยโยมเห็นสองสิ่งเนี่ยโยมต้องยกต้องใช้รูปแบบไหมล่ะอันนี้สีดำนี่สีขาว ไม่ต้องใช้รูปแบบมันเป็นเรื่องของจิตใช่ไหมจิตเห็นแล้วเห็นเห็นทั่วถึงเห็นหมดเห็นสีดําก็เห็นช่องว่างก็เห็นรูก็เห็นเห็นเห็เห็นเห็นไม่มันแจ้งหมดแล้วเนาะอ่ะพอปิดตาปิดตาอีกทีนีเห็นไหมมืดมืดมืดความมืดมันยังเห็นได้เลยอะความมืดก็คือเป็นสิ่งถูกเห็นแต่จิตอะมันไม่ได้มืดด้วยจิตจะสว่างทําไมสว่างก็มันไปเห็นนงเออ อุปมาอย่างนี้เนี่ดี๋ยวคาว่าจิตสว่างคําว่าสว่างเนี่ยบางเมื่อก่อนเราแปลความนึกว่าเป็นแสงใช่ไหมนะเมื่อกี้นะที่มันเห็นความมืดได้อ่ะจิตนั่นแหละมันสว่างมันสว่างในตัวของมันมันจึงเห็นเถ้ามันไม่สว่างนี่มันเห็นได้ยังไงตอนแรกจิตมันไม่สว่างบอกว่าพอปิดตาแล้วไม่เห็นนี่แสดงว่าจิตเนี่ยยังมืดอยู่มันเหมือนกับว่าถูกความมืดครอบงําพอเปิด พอเฉลยพออะไรเสร็จแล้วก็ปรากฏพบ ว, ว่าเฮ้ยจิตเนี้ยมันเห็นความมืดได้เพราะฉะนั้นจิตเนี้ยไม่ได้มืดจิตมันมีความสว่างสวยจึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแจ้งจิตมันแจ้งมันเห็นอะไรขวางมันไม่ได้มันเห็นหมดทีเนี้ยเออใช่้แสงมันไม่เป็นแสง ออเออเนไหมยมยเอาของจริงเลยนะคือตอนนี้แต่ว่าภาษาเนี่ยที่บอกว่ามันสว่างนะเทียมไม่ถูกเออมันเป็นภาษาพูดแต่เอาอย่างนี้ดิปิดตายมปิดตาเลยนะปิดตาเนี่ยเราก็บอกถามว่ารู้ใช่ไหมเห็นใช่ไหมว่ามันมืดถูกไหมอ่าเราก็จะบอกว่าความมืดนี่นะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตไปเห็นเข้าความมืดอ่ะนะแต่จิตเองอะ่ะมันไม่ใช่ความมืดแต่จิตเนี่ย มันเป็นที่มันเห็นได้เพราะฉะนั้นการที่มันเห็นได้นี่แสดงว่ามันอะมันมีความสว่างในตัวของมันมันจึงเห็นได้ถ้ามันมืดมันก็ไม่เห็นนี่แต่ที่มันเห็นได้แสดงว่ามันมีความสว่างในตัวของมันมันจึงเห็นได้น่าจะเข้าใจเนาะเห็นไหมเออนั่นแหะจิตรู้จิตเห็นนั่นแหละนตอนนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องไหนนะคุยเรื่องความมืดนี่ยนะปิดตาใหม่ป็นตาใหม่ เอาปิดตาใหม่นะแล้วก็ฟังตามนะขนาดปิดตาแล้วเนี่ยรู้ด้วยนะจำมาเนี่มัพูดถึงแถมมีให้เรื่องรู้ว่าปิดตาใช่ไหมเออเนี่ยปิดตาเนี่ยรู้นะว่าปิดตาเห็นไหมเพราะฉนั้นไอตาที่ปิดหรือปิดตาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่รู้มันไม่ใช่จิตแต่จิตเนี่ยรู้ว่าตาปิดเออแล้วก็ต่อมาพอตาปิดแล้วเนี่ยมันมีความมืด อ, อ่ะ แต่จิตเนี่ยไปรู้เข้าว่าเออความมืดมีอยู่จริง่ะเพราะนั้นจิตเนี่ยมันจึงจึงเห็นจึงรู้ว่าความมืดมีอยู่จริงแต่จิตน่ะมันได้แต่เห็นได้แต่รู้แต่มันไม่ได้เป็นความมืดด้วยแต่ความมืดเนี่ยจะมองเห็นจิตไม่ได้เพราะว่าความมืดเนี่ยมันไม่มีคุณนสสมบัติที่จะไปเห็นจิตได้แต่จิตต่างอากมีคุณนสสมบัติไปเห็นความมืดได้เพราะนั้นการที่ตอนนี้เห็นความมืดชัดเจนใช่ไหม เออชัดเจนเนี่ยเขาเรียกว่ามันสว่างสว่างคือสามารถมองเห็นได้งงไหมเนี่ยมันทะลงบุปุ่งอบบก็ใช่เนี่ยภาษาสมมติเขาบอกว่ารู้แจ้งแล้วแบบเนี้ยเอ้าทำไมมันไม่แจ้งอะก็เพเห็นจริงๆอะนะคือเห็นไงมันแจ้งเนียเออถ้าไม่เห็นอะมันมืด เอาไงวะแต่คิดว่าเข้าใจให้อย่างน้อยถ้าเข้าใจไรๆนะอย่างน้อยก็เออเริ่มเล้าเขาเราว่าเข้าใจไรๆแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเออต่อมาโยมก็หัดเล่นคนเดียวดีเล่นนั่งเล่นแบบ ล, ลืมตาพิษตาแล้วก็ถามเองตอบเองไปเรื่อยเนาะถามเองแล้วก็บ้องไปที่ร่นท้ายนี้ก็ เ, เห็นนะว่านี่มาก็เห็นนั่งท่าไหนก็เห็นนั่งท่าไหนเห็นหมดเลยอันนี้ภายนอกใช่ไหมมันเห็นตาไปเห็นเห็นแม้กระทั่งเห็นตัวเองได้ไหมเออโยมเห็นตัวเองก่อน นี่เราจะข้ามขั้นไปอีกเรื่องใหม่แล้วนะทีนี้เอาเอากลับมาเรื่องเดิมหัดรู้แจ้งนะรู้แจ้งทางตาโยมก็หัดมองไปดิมองอะไรมันก็เห็นหมดนี่แล้วเวลามันเห็นมันเห็นทั่วใช่ไหมอย่างที่บอกอ่ะเราสมมติว่ามีโยมนั่งโยมพลอยนั่งโยมนุษะอ่าโยมนุษะนั่งแต่เวลาเห็นอ่ะมันไม่ใช่แค่เห็นสองคนอ่ะมันเห็นอย่างที่บอกมันเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นตรงนุ้ดเห็นตรงนูดเห็นนู่ในรัศมีของมันเห็นมันเห็นหมดเนาะ แล้วก็ช่องว่างช่องลึกมันมันเห็นหมดอะ่ะเออเนี่ยอันนี้รู้แจ้งเขาเรียกมันรู้แจ้งภายนอกนะไอ้สีดําก็เหมือนกันที่พอปิดตามันมีความมืดมันก็รู้แจ้งในความมืดต่อให้มีนิมิตแวบๆเป็นสีเป็นสีอะ น, นี้ไม่พ้นจากการรู้การเห็นนึกออกไหมไอคนที่มีนิมิตอ่ะทำสมาธิอ่ะมันรู้มันเห็นนะ <c oughs> เห็นไหมลนะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นน่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นสีสีต่างๆแล้วก็จิตรู้ไปเห็นเข้า ว่ามีสีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเออแล้วก็สุดท้ายมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมดอ่าหมายความว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็เปลี่ยนหมดแล้วก็ไอ้ที่เห็นเนี่ยนี่ถ้าพูดถึงจิตที่มันไม่ยึดแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นต่อไปว่าอเกิดอะไรขึ้นจิตเนี่ยจิตที่ไม่ยึดไปเรื่อยๆแลค่ะจะกลจะไม่กลับมาเลยนั้นเก่าเออถ้ามันกลับมาก็ไม่เป็นไร <laughs> อ่าทีนี้ตกลงให้เข้าใจเรื่องจิตนะจิตไม่ใช่เราไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เรารู้ เพราะเราไม่มีมีแต่จิตเออมีแต่จิตแล้วจิตมันเออนี่พูดถึงเรื่อง <c oughs> เรื่องอาการพูดถึงเรื่องจิตรู้นะอันนี้ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยทำนองว่าเราพูดสิ่งที่จิตไปรู้ภายนอกตอนนี้ให้จิตมารู้ภายในคือให้รู้ในกายก่อนเนะให้โยมยิกกายเด็ดยิกให้มันรู้สึกเจ็บทุกคนทำยิกเออเราอาธิบายเรื่องจิตให้ฟัง ความเจ that that mm. ็บคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการมีเหตุปัจจัยคือหยิกมันมันจึงเกิดความเจ็บขึ้นเนาะนี่เราพูดเป็นภาษาชาวบ้านเน่ยถ้าพูดถึงเป็นเวทนาชาวบ้านฟังไม่ออกทุกขเวทนาก็ฟังไม่ออกเราพูดถึงภาษาบ้านๆก็คือเจ็บใช่ไหมรู้จักได้เนาะว่าหยิกแล้วมันเจ็บนะแต่ก่อนหยิกมันเจ็บไหมล่ะไม่ได้สังเกตคิดเอาเอาเอาะตอนนี้สังเกตแล้วมาหยิกแล้วเจ็บ เอาอีกอีกทีกนึงมันเจ็บหายไปแล้วเอาใหม่ะห <c oughs> ะนะเจ็บนะไ <c oughs> อ้ที่เจ็บเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเจ็บแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้มารู้รู้ว่าเจ็บเพราะฉะนั้นเจ็บกับรู้เป็นสิ่งเดียวกันไหม <c oughs> ไม่ไม่ไมถ้าเป็นอย่างนี้เจ็บคือรู้ไหมรู้ว่าเจ็บเออรู้ว่าเจ็บเจ็บ อ้าวเมื่อกี้เข้าใจตรงกันแล้วว่าเจ็บก็ไม่ใช่รู้ใช่ไหมรู้ก็ไม่ใช่เจ็บมันคนละตัวกันคนละสภาวะเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็บเป็นรู้ได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวงงอีกเอ า, ามา่เอาหม่ทวนทวนเจ็บกับรู้คนละสภาวะกันเนาะ <c oughs> เจ็บก็อย่างหนึง่งรู้ก็อย่างหนึง่งทีนี้เราจะมาดูกันเลยว่าเจ็บก็คือคุณสมบัติของมันก็คือได้แค่เจ็บถูกปะ คุณนสมบัติเจ็บก็คืออาการอย่างนั้นอย่างนั้น hmm. มันรู้ตัวเองไม่ได้เนาะแต่จะรู้ว่าเจ็บได้ต้องมีจิ ต, uh huh. จ, ตจิตรู้ uh huh. รู้ว่าเจ็บเลยเราถามแต่ว่าไอ้จิตรู้เนี่ยมันเจ็บเป็นไหมอ่ะไม่เจ็บเออไอ้นี่มองบองนิ้วนะไ uh huh. อันนี้เจ็บนะไ <laughs> อันนี้รู้นะเออเห็นง่ายเลยนะ uh huh. เจ็บเนี่ยคือมันมีอาการใช่ป่ะอาการอย่างที่รู้กนแหละว่าเจ็บเป็นยังไงแต่รู้เนี่ยในเมื่อมันเป็นคนละสิ่งเนี่ย นี่มันเป็นสองสิ่งแล้วเนาะสิ่งหนึ่งเจ็บสิ่งหนึ่งรู้ถามว่ารู้เนี่ยมันเจ็บเป็นไหมครับถูกแล้วรู้เนี่ยไม่เจ็บแต่เจ็บมันคือเจ็บมันอีกอันนึงรู้เนี่ยจริงไม่เคยเจ็บรู้นี่เจ็บไม่เป็นได้แต่รู้รู้เนี่ยได้แต่รู้ไอ้เจ็บนี่ได้แต่เจ็บแต่เจ็บเนี่ยมันรู้ตัวเองไม่ได้แต่รู้เนี่ยมันรู้ได้แต่ตัวมันไม่เจ็บแปลกไม่ละธรรมะเออเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเจ็บอ่ะมันผลเจ็บไหม ทำไมมึงเจ็บก็รู้นี่มันเจ็บตรงไหนมันได้แต่รู้เจ็บเนี่ยมันก็เจ็บไปก็เลยรู้มึงเจ็บมึงเจ็บมึงเจ็บเออมงงไหมงเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเหมือนกับอันนี้ไงนี่นี่เราทววละอีกนะก็คือว่าไอ้ที่เห็นใช่ไหมเห็นสีดําเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีเห็นสีดําเห็นไม่ได้เป็นสีดําเห็นสีขาวเห็นก็ไม่ได้เป็นสีขาวเพราะสีขาวก็สีดํามันก็ของมันต่างหากเจ็บก็เหมือนกัน ก็เป็นสิ่งถูกเห็นนะมันก็คือเจ็บแล้วก็แต่รู้เนี่ยมันไม่มีอาการเจ็บมันได้แต่รู้เรื่วเวลาเจ็บหายไปรู้ได้ไหมนนะรู้อีกเห็นไหความเจ็บดับไปแล้วแต่รู้ดับนี่พูดถึงรู้นี่เราพูดถึงรู้อีกรู้หนึ่งอเนี่ยฟังไปก่อนรู้เนี่ยมันดับเดี๋ยว เดี๋ยวโยมฟังแล้วเดี๋ยวมันบอกไปขัดกับพระอภิธรรมอีก <c oughs> เอาเป็นว่าเจ็บไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่เจ็บนะแล้วเวลาเจ็บดับไปรู้ได้ไหมเวลาหายแล้วเนี่ยตอนนี้เจ็บหายแล้วยังรู้ได้ใช่ไหม <c oughs> ที่รู้ได้นั่นแหละคือจิตเหมือนกัน <c oughs> เพราะนั้นจิตนี้ยังอยู่เว้ยเอ้ยแต่เจ็บหายไปแต่เจ็บยังอยู่เอ้ยรู้ยังอยู่ <c oughs> แสดงว่ารู้เนี่ยหนึ่งไม่ใช่เจ็บ สองรู้เนี่ยไม่ใช่ไม่เจ็บเออเมื่อกี้บอกว่ารู้ไม่เจ็บตอนนี้รู้ไม่ใช่ไม่เจ็บอีกแล้วงงหนูงงไหมเนี่ยชักเวียนหัว <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวค่อยจิ๊เนี่ยการฟังแบบนี้นะเขาเรียกว่าฟังแบบใจกับติดจดจ่อเลยแบบฟังแล้วก็พินาตามตลอดถ้าโยมแว บ, บใจลอยเมื่อไหังตามไม่ทันเลยนะบอกให้เลยนะต้องตามติดแบบเกิดปัญญากันเลยอ่ะเอายมดูนะเอาใหม่ พูดถึงความเจ็บนะเอาหยิกให้มันเจ็บมันจะรู้แจ้งไปเลยเนี่ยเจ็บพอพอไม่หยิกมันรู้ได้ไหมว่าจังคลายลองสังเกตนะมันจังคลายนะจังคลายคือเจ็บมากก็คลายคลายคลายคลายคลาไอ้เจ็บมากหายไปก็เหลือเจ็บเจ็บน้อยยังอยู่แล้วก็อเจ็บน้อยนี่ก็หายไปแต่รู้ว่ามันหายไปกับเจ็บไหมเออเอาเนี้ยตอนเนี้ ความเจ็บหายไปแล้วแต่รู้ยังอยู่ไหมว่ามันหายเจ็บแล้ว อ, อ, อ๋อแสดงว่ารู้ไม่ไปไหนรู้ยังอยู่แสดงว่ารู้ไม่ดับดิดับไหมไ ม, ไม่ดับนี่เราพูดถึงวิสังขารแล้วนะเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้พูดแค่ระดับวิญ ญ, ญาณ น, นะเนี่ย <c oughs> ถ้าวิญญาณเนี่ยต้องดับไปพร้อมกับความเจ็บวิญ ญ, ญาณ น, นักขันนะนะ หมายความว่าพอเจ็บปับ๊บวิญญาณรับรู้ว่าเกิดความเจ็บแล้วพอความเจ็บดับไปวิญญาณที่รู้ความเจ็บมันจะต้องดับพร้อมไปกับความเจ็บถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณนัขันวิญญาณในขันห้าจะต้องเกิดดับแต่ที่พูดอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตพุท ธ, ธจิตพุท ธ, ธคือจิตเนี้ยไม่มีการเกิดไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีการดับไป ได้แต่รู้แบบพุทธรู้เป็นอมตะคือรู้ไม่ตายรู้เนี่ยมันไม่ตายที่มันไม่ตายเพราะว่ามันรู้ตลอดเช่นเวลาความเจ็บเกิดขึ้นมันก็รู้แต่วิญญาณหนักขัดับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเมื่อความเจ็บดับแต่พุทธเนี่ยที่เป็นจิตพุทธเนี่ยเป็นจิตที่หลุดพ้นเนี่ยเมื่อดับไปจิตเนี้ยก็รู้ว่ามันดับไปแต่จิตรู้มันไม่ได้ดับพร้อมกับความเจ็บ ใช่ไเนี่ยตอนนี้ความเจ็บไม่มีแต่จิตรู้มันรู้อยู่ว่าความเจ็บไม่มีแล้วความเจ็บเกิดใหม่มันก็รู้ได้อีกว่าเกิดใหม่แล้วเอาลองหยิบแล้วสังเกตความเจ็บหายไปจางคลายจางคลายแต่รู้เนี่ยไม่ได้จางคลายด้วยมันได้แต่รู้มันได้แต่รู้เอ้าความเจ็บหมดสิ้นแล้วแต่ความรู้ยังอยู่ความรู้เนี่ยคือจิตเนี่ยยังอยู่ว่ายังอื่นดับหมดแล้วแม้กระทั่งว่าความไม่เจ็บมีอยู่ มันก็ยังรู้แล้วไอจิตรู้เนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันรู้อย่างเดียวมันจึงเป็นหนึ่งมันเป็นทั้งไม่ได้เกิดมันเป็นทั้งไม่ได้ดับมันทั้งไม่เกิดมันเป็นทั้งไม่ดับมันจึงมันไม่เป็นอะไรอ่ะภาษาสมมุติมันไม่เป็นอะไรแต่ที่เป็นอะไรมีความเวทนาท่นั้นะเป็นนั่นเป็นนี่เจ็บมากเจ็บน้อยวนวนแต่รู้ตัวเนี้ยมันไม่เป็นอะไร แต่ที่มันร้ายที่สุดนะคือมันไม่มีด้วยมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครจะหาจิตพกได้เลยว่าจิตที่มันมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ไหนโยมลองไปหาดูก็ได้ว่าอะไรว่ามึงรู้ทุกเรื่องเลยแต่มึงอยู่ไหนว่าไม่มีหาเจอเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นไม่มีตัวไม่มีตนแล้วมันไม่เคยปรากฏให้ใครเห็นมันได้แต่มันเห็นคนอื่นได้หมดเออแปลกห ไม่มีมนุษหน้าไหนไม่มีใครไปเห็นมันได้ว่าไอจิตที่ว่าเนี้มันอยู่ตรงไหนมันตั้งอยู่ตรงไหนยังไงไม่มีใครรู้แต่มันสามารถรู้ทุกสิ่งมองก็เห็นหูก็ได้ยินนิทราไปแล้วมันรู้ทุกเรื่องอะแต่ตัวมันเองไม่มีใครรู้ได้ที่ไม่มีใครรู้ได้เพราะมันไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกนี้เลยมันเป็นความไม่มีแต่มันรู้อะไรได้แปลกไหมมันไม่มีแต่มันรู้อะไรได้เนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เข้าถึงณนะปฏิบัติธรรมที่สุดแห่งทุกเนี่ยต้องสักแต่รู้ก็คือว่ามันรู้ทุกเรื่องแต่ไม่มีผู้รู้ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นผู้รู้มีแต่จิตหนึ่งเท่านั้นที่สุดแห่งทุกก็คือเนี่ยตัวเธอไม่มีเมื่อตัวเธอไม่มีในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละก็จะถึงที่สุดแห่งทุกคือนิพพานไม่เสียตงังค์สักบาทนิพพาขึ้นที่สุดแห่งทุกแล้วนันเนี่ย ไม่ยึดผู้รู้ว่าเป็นเราผู้รู้ที่รู้ทุกเรื่องกันนะไม่ใช่เราอย่าหลงผิดอีกจากนี้ไปไม่หลงอีกแล้วว่าเป็นเราเออไม่หลงผิดว่าเป็นเราอีกแล้วก็ได้แต่รู้แบบธรรมชาติเอามาต า, มาเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย <laughs> เนี่ยเขา <laughs> เขาทราบซึ้งในทางคือเขาเก็ดมากเก็ดมากมันต้องอย่างนี้แหละน้ำตาล้างอาวิชชาเมื่อก่อนมันเป็นอวิชชาคือเข้าใจผิด เข้าใจผิดนึกว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เรารู้นั่นเรารู้นี่บัตรนี้สิ่งที่เป็นทั้งหมดก็ไม่ใช่เราแล้วก็ที่รู้ทั้งหมดก็ไม่ใช่เราใช่มล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ยเมื่อไม่มีตัวเราที่สุดแห่งทุกข์ก็คือ น, นิพพานคือตัวเราไม่มีก็จบกันนะทีนี้จากนี้ไปคือก็เรียกว่ามีปัญญาแล้วมันจะมีสติเองอ่ะพอหลงปับ๊บมันจะรู้ทันว่าหลงเข้าไปเป็นเราอีกแล้ว ลงเข้าไปเป็นเรารู้อีกแล้วมันจะรู้เร็วรู้ทันรู้ทันแค่เนี้ยมันก็ปล่อยคือไม่ยึดไม่ยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้แล้วก็ไม่ยึดถือว่าเราเป็นผู้ไม่รู้คือทั้งรู้ทั้งไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีเออก <c oughs> <c oughs> ารขยันสูตรพระพายยะเนี่ยให้เธอสําเหนียกว่าพระพ า, า, ายะนี่เราจําสูตรไม่ได้นะแต่ว่าประมาณอย่างเงี้ยพระพายยะเนี่ย ให้เธอสําเนียงอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นสักแต่เห็นก็คือเมื่อเห็นสักแต่เห็นก็คือเห็นจริงอ่ะแต่ผู้เห็นไม่มีหมายความว่าผู้เห็นที่เป็นตัวเป็นตนอ่ะเป็นเราอ่ะไม่มีมีแต่มีแต่อันั้นแหละที่เราอธิบายนะคือจิตอันนั้นอ่ะมันเห็นแต่เห็นนั้นไม่ใช่เราเห็นนะให้สําเนียงว่าเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อรู้รสรู้กลิ่นรู้กระทบสัมผัสรู้ธรรมารมณ์ทั้งหลาย ก็ให้สักดิแต่รู้ถ้าเป็นอย่างนี้ตัวเธอก็จะไม่มีในโลกนี้ในโลกหน้าในระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์ใชพระพุทธเจ้าสรุปว่าตัวเธอไม่มีพบอะไรอย่างว่าตัวเธอไม่มีที่เห็นเมื่อกี้ตัวเธอไหมไม่ใช่ที่ได้ยินที่ได้ยินอยู่เนี้ยได้ยินอยู่เนี้ยก็ไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ตัวเธอแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันได้ยินของมันเองก็แล้วกันแหละ รู้กลิ่นเวลากลิ่นมาเนี่ยเวลามันรู้เนี่ยกลิ่นน้อมกลิ่นเหม็นอะไรก็เถอะไม่ใช่ตัวเธอเป็นผู้รู้เพราะตัวเธอไม่มีแต่ก็ได้สักแต่รู้ว่ามันมีกลิ่นกระทบสัมผัสเย็นร้อนรอนแข็งเนี่ยเจ็บเจบเนี่ยที่รู้ทั้งหลายเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเธอนะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขารู้ของเขาได้เองนะแล้วก็ความเจ็บความปวดอะไรที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเธอเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังทุกขังอ น, น, นัตตาก็ไม่ใช่ตัวเธอ นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเช่นความรักบ้างความเบื่อบ้างความเซ็งบ้างความโกรธความโลภความหลงอะไรทุกชนิดที่เป็นธรรมอารมณ์ทั้งหลายถ้ารู้แล้วก็สักไปรู้ก็ไม่ใช่ตัวเธอรู้นะแล้วก็อันนั้นก็เป็นอารมณ์เกิดขึ้นและตั้งอยู่ดับไปอันนิจจังรูกขังของนัตตาทุกอย่างไม่มีตัวเธอเลยในทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นี่แหละที่สุดแห่งทุกแต่ก็ยังป่วยยังเจ็บเหมือนเดิมเดิมบอกให้ แต่ไม่ใช่ตัวเธอเอาไปาดีใจไปเสริเลยนะเอาไปอะไรเสริมไหมอ่ะไม่มีครับเออเนี่ยต้องจบเลยหมดข้อกังขาหมดข้อสงสัยแจ้งแทงตลอดเอาปัญญาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้จนกว่าจะขันห้านี้จะดับตายไปทุกอย่างตรงเนี้มันเป็นสติปัญญาเป็นญาณเป็นก็เรียกว่าสู่โลกุตตะได้เพราะว่ามันเหนือ เนือจากสังขารเดแล้วทุกอย่างเป็นสังขารปรุงแต่งหมดถูกไหมเป็นขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างเนี้ยมันพ้นไปแล้วไงพ้นด้วยปัญญาพ้นด้วยญาณปัญญาญาณก็วิมุตต์ก็คือไม่ติดไม่ยึดในส่วนที่เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเเห็นไหมขณะฟังตอนเนี้มันสิ้นทุกข์แล้วไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครสุขด้วย <S <S> <S ไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครสุขเพราะว่า ไอ้ทุกข์สุขเป็นของไม่เที่ยงถูกไหมแต่ไอ้รู้เนะี่ยเมื่อกี้ที่บอกอะรู้ว่ามันสุขเป็นไหมมันเป็นไม่ได้มันได้แต่รู้มันไม่มีสภาวะสุขอยู่ในรู้ไม่มีสภาวะทุกข์อยู่ในรู้ไม่มีสภาวะอะไรทั้งหมดในรู้นั้นเพราะรู้นั้นมันไม่มีเลยอะมันเป็นความไม่มีแต่มันรู้อะไรได้แปลกตรงเนี้ยอื <c oughs> <c oughs> ทีนี้่เราปฏิบัติทำผิดนะ่ะคือเช่นไปไปเปลี่ยนอารมณ์แบบไม่ให้ทุกข์ไม่ให้สุขอันนั้นผิดหมดเลย ทุกสุขมีเหมือนเดิมแต่รู้ได้น่ะไอ้รู้นั้นแหละมันพ้นไปแล้วมันพ้นโลกมันพ้นความปรุงแต่งไปมันก็พ้นไปไหนก็พ้นสู่นิพพานคือไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นเฉยเฉยมันไม่เป็นอะไรอะไม่เป็นลินไม่เป็นน้ำไม่เป็นไฟไม่เป็นลมไม่เป็นอากาศ ไม่เป็นการตั้งอยู่ไม่เป็นการเคลื่อนไม่เป็นการไหวไม่เป็นการไปไม่เป็นการมาไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงดาวไม่ใช่ตั้งอยู่มันไม่ใช่อะไรหมดเลยเห็นเนาะเห็นได้นะไม่ใช่อะไรพราะพิสูจน์มาแล้วว่าอันนั้นเลยมันไม่ใช่อะไรทั้งหมดเห็นได้รู้ได้เป็นปัจจตังเอใครมีปัญญาก็ฟังเข้าใจคนไม่มีปัญญาอะไรมันว่าพวกกูไม่รูเรื่องเลยก็แล้วแต่ เพราะงั้นถ้าเข้าใจตรงนี้เวลาเราไปปฏิบัติจะยกมือไม่ยกมือก็ได้หมดถ้าจะยกก็ยกเบาๆยกเบาๆเนี่ยยกเบาๆก็คืออะไรละก็นั่งไปยกเบาๆมันไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้ยกใช่ไหมตัวเราไม่มีก็เอาขัน5้นี่ไอ้ที่สั่งก็ความคิดก็คือขัน5ไอ้ที่เคลื่อนที่ไหวก็คือสังขารร่างกายก็เคลื่อนไปแล้วเวลามันเมื่อยมันเจ็บมันปวดก็คืออาการทั้งหมดทั้งสิ้นเลยมันอะไรเกิดขึ้นก็รู้ได้เห็นได้แล้วก็ไม่ยึดถือมีแต่รู้เฉยๆยกเปบาๆ ยกไปด้วยไม่ต้องอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นตัวเราไม่มีแล้วใครจะอยากถ้ามันอยากขึ้นมาหลายแสดงว่ามันเผลอเขามีตัวเราแล้วยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ถ้าไม่มีตัวเรานี่มีแต่ยกเปล่าๆกินข้าวก็กินเปล่าๆเคี่ยวก็เียวเปล่าๆคลืนก็คืนเปล่าๆเวลามันเจ็บมันร้อนก็ร้อนร้อนเปล่าๆไม่มีผู้รองรับเลยเ ม, ยมเวลามันเย็นก็เย็นก็ตัวแต่ก็ มัน ก, ก็เย็นเวลาหิวก็หิวก็ใช้ปัญญาก็บรรเทาร่างกายหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำสูตรเสร็จแล้วเนี่ยสูตรแบบ ม, มันจบแล้วไนงะตกลงนะไม่มีใครเกิดนะไม่มีเราเกิดนะไม่มีเราแก่นะไม่มีเราป่วยนะไม่มีเราเจ็บนะไม่มีเราตายเนาะมีแต่ขนาน่ามีแต่สังขารเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยคนทุกข์ได้ใชไมปัจจุบันนี้ <S <S <S ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขที่เป็นสุขก็คือขนันห้าสุ ข, ขเวทนาที่มีทุกข์ก็ทุกขเวทนาไม่ใช่เราตอนนี้มันพ้นไปหมดแล้วแต่เห็นได้ว่าไพวกนี้ยปรุงแต่งอยู่ต่อไป ปงแต่งต่อไปจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เราแล้ว <c oughs> <c oughs> ใคร <c oughs> มีอะไรสงสัยไหม <c oughs> จริงนะ <c oughs> ไม่สงสัยนะแ <c oughs> จ้งแทงต ล, ลอด น, นะ